เพราะความจเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่รมปรพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องสา ม, มัญจะผลสูตรที่ทรงแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการเป็นสมณะที่มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลมาตั้งแต่บวชมาโดยดำดาบมาเรื่อยๆแต่ว่ามาก็ตัดตอนน่อยเฉพาะที่เป็นอินทรียสังวร คือเป็นศีลที่ประณีต เ, เป็นธรรมะระดับต้นนะฮะแต่ว่าเป็นศีลที่ละเอียดก็ได้พูดมาถึงข้อมโนบายิธิมาความมาเลยรูปฌปานมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะมองย้อนกลับไปสู่ตัวเองโดยสืบสาวมาจากตั้งแต่เกิดอยู่ในคันมันดานะฮะก็สืบสาวมานลักษณะนั้น เราเข้าใจชีวิตร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนต้องมีการแปลผันไปเป็นธรรมดาก็มาถึงข้อต่อไปเนี่ยที่พูดค้างไว้ในวันก่อนก็คือมโนมยิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจคือสามารถติรามิตกายอื่นจากกายนี้คือแยกกายของตัวเองเออกไปเป็นรูปที่เหมือนกันครบบริบูรณ์จนแยกไม่ออกว่าไหนเป็นรูปจริงอันไหนเป็นรูปปลอม ความคิดเหล่านี้เราลองสังเกตนะฮะว่าในแนวพวกกำลังภายในของจีนเนี่ยก็มีวิชาบางวิชาที่นิรมิตกายออกไปเป็นรูปต่างๆแต่วนไทยเราล้วก็มีความคิดในเรื่องเหล่านี้อยู่นะแต่ว่าใช้ในเชิงที่เป็นศิลศาสตร์แต่ตอนนี้ใช้ในแนวที่เป็นพุทธศาสตร์เป็นผลของจิตที่ เป็นสมาชิบริสุทธิ์ผองแพ้วไม่มีกิเลสปราศ จ, จากคือปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันวายอยู่อย่างนี้ถ้าจิตเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ในสภาพพร้อมที่จะโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่องแล้วสั่งว่าลูกกรนหมาบวพิดเปรียบเหมือนบุรุษพึงชักไส้ออกจากยาปล้องไส้ของยาปร้องเนี่ยออกแก่ปากยาออกจากปรก้ อ, อ, ปรองของยาปร้องเขาจะพึงที่เห็นอย่างนี้ว่านี้ยาบปร้องนี้ไส้ยาปล้องอย่างหนึ่งไส้อย่างหนึ่งก็แต่ไส้ชักออกจากยาปล้องนั่นเอง อีกในอันหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษพึงชักดาบออกจากฝักคอาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้ดาบนี้ฝักดาบอย่างหนึ่งฝักอย่างหนึ่งแต่ว่าจริงดาบก็ชักออกมาจากฝักตัวฝักนั้นก็สวมดาบอาอกไปร่างกายที่ออกไปมันก็คือกายออกไปจากกายนั้นเป็นกายที่สมิดด้วยใจหรือทํานมองแบบอีกอย่างหนึ่งรักษาว่า เปรียบเหมือนบูรุษจะพึงชักงูออกจากคราบเพราะจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี่งูนี่คราบงูยงงอย่างหนึ่งคราบแห่งหนึ่งแต่งูก็ชักออกจากคราบนั่นเองชันใดอิสุก็ฉันนั้นแล้วก็เมื่อจิตอยู่ในสภาพดังกล่าวเนี่ยจิตตรงนี้จะต้องเน้นทุกแห่งนะฮะต้องเน้นทุกแหงเพราะว่าถ้าจิตไม่เป็นอย่างนี้แล้วผลดังกล่าวนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้มันก็เหมือนกับอะไรล่ะ มันเหมือนกับคนขึ้นไปยืนสมมติว่าขึ้นไปยืนอยู่บนตึกประโยคมองไปไปเห็นพระประถมเจดีย์นะสมมติเอานะฮะเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้ว่าต้องบอกมันเยอะเด็ดเนี่ยวันก็เยอะบอกก็เยอะแต่ถ้าอากาศปกติก็ดูแล้วก็น่าจะเห็นนะแต่ก็บอกว่าผมยืนตรงนี้มองไปด้านที่ตะวันตกเห็นพระประถมเจดีย์ เราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราทําได้สองอย่างคือหนึ่งคือเชื่อตามที่ท่านบอกสองก็ขึ้นไปยืนในจุดเดียวกันแล้วมองไปในทิศเดียวกันเราทําได้สองอย่างเท่านั้นเองเพราะใ น, นตรงนี้ประการสําคัญที่เน้นที่จิตเนยเน้นที่จิตอย่างนี้มาตั้งแต่ข้อข้อก่อนแล้วพระภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแพ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ ยอมน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือรมิม่กายอื่นจากกายนี้แล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามความปรารถนาแต่ก็หมายความว่าพวกนี้เป็นได้ทั้งโลกิยะทั้งโลกุตตระนะพวกมโนโมยิที่เนี่ยเป็นได้ทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระรือบางทีก็เสื่อมได้นะบางทีก็เสื่อมได้แต่าหากว่ายังเป็นเป็นโลกิยะแต่ว่า ถ้าเป็นโลกุตระแล้วก็ไม่เสื่อมเธ อ, เธอย่อเธอย่อมน้อมจิตไปเพื่อนมิต ร, รูปอันเกิดแต่ใจคือแดนมิตรกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะอวัยว ะ, ยวะน้อยใหญ่ครบั่วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องนี้ก็เป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดีกว่าดียิ่งกว่าทั้งปณีคกว่าสามัญญผลเห็นประจักษ์ก่อน และในข้อต่อไปก็เป็นการพูดถึงสภาพจิตที่มีความประนีตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะมโนมยิทธิแล้วก็อิทิวิธีนะฮะคือแสดงฤทธิอิทธิวิธีกับมโนมยิทธินี่ต่างกันมโนมยิทธินั้นไปด้วยใจเฉยๆแต่มีกายเหมือนกันแต่กายจะสําเร็จด้วยใจแต่อิทิวิธีไม่ใช่อิทธิวิธีไปทั้งกายเลย มันอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่เทวโลกบางครั้งก็ไปด้วยกายโดยอิทิวิธิบางครั้งก็ไปด้วยมโนมยิทธิเราจะพบในพระคัมภีเนี่ยปรากฏเป็นนั้นมากเฉินพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรมานพระ ก, กาพรมเนี่ยเสด็จไปพร้อมด้วยพระเถระติดตามเสด็จไปตั้งหลายรูปฉ่านนั้นไปด้วยอิทธิวิธิเลยแต่ว่าการไปไปเร็วในลนักษณะคู่แขงเข้าเหยียดแขนออกเหมือนกัน เพราะในข้อต่อไปจึงรับสั่งอธิบายในแนวอิจฉิวิธีแล้วอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกว่านิพปิยายคือหมายความว่าจะทรงแสดงแก่ใครที่ไหนเมื่อไรยังไงก็ตามจะอธิบายอย่างเนี้และพระพุทธเจ้าไม่เคยหวั่นไหวในว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะแสดงแก่คนที่มีวุฒิภาวะพอสมควรที่ฟังรู้เรื่อง อันนี้ก็เหมือนการธรรมเทศนาสูตรนี้ประจบหลงพระเจ้าชาติตูก็คือสถานเลือกใจจำนึกาบาปกรรมต่างๆที่ได้กระทำต่อพระราชบิดาเอาไว้ทรงอธิบายให้เขินว่าแนวอิทธิฤทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ปฏิเสธคือบางทีเราพูดอะไรเกินไปนะคือพระพุทธเจ้านั้นมีอิทธิปาฏิหารมีอเทศนานปาฏิหารมีอนุสาสนีปาฏิหาร แล้วก็ใช้ผสมผสานกันอนุสาวสนีปฏิหารนั้นจะเป็นตัวหลักแต่ที่ปฏิหารก็ใช้นะอาเทศนาปฏิหารยิ่งใช้ใหญ่เลยเพราะไก็ต้องตรวจสอบดูพื้นเพจริตอัตยาสัยของคนว่าเขาพร้อมที่จะฟังธรรมะและวก็บรรลุมรรผลได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอาการของเจโตปริยาน หรืออเทศฐาปฏิหารนะ์นก็เหมือนกันนะี่ยนะเจตรปยางค์อเทศนาปฏิหาร์เนี่ยในข้อนี้ทรงอธิบายไว้ว่าพิสูจน์นั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแพ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอมน้อมน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายผลเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ในข้อ น, นี้ถ้าเรานึกออกถึงตอนที่ประยศักเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สิปัฒนามริกฐายวันแล้วก็ขังธรรมเทศนาโนปุพีกตาอริยสัจสี่ครั้งแรกนะฮะได้บรรลุมรรผลเป็นประสุาบันเพราะว่ออท่านยาศักไป เจอกับพระพุทธเจ้าตามลูกชายไปเจอพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่ามาสำนัเห็นยาสศกุลบุตรเดินผ่านไปทางนี้บ้างไหมพรุทธเจ้ารับสั่งว่าท่านนั่งรอที่นี่แหละจลอยจะพบยาสศในทิศนี้ ท, ท, ท่าทํานพยศนั่งอยู่ตรงนั้นนะแต่เศรษฐีไม่เห็นนั่นคือทําสิ่งที่มีไม่ให้มีคือสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่ให้ปรากฏหรือสิ่งที่ไม่ปรากฏให้ปราก ฏ, ใ ห, ากฏให้ปรากฏขึ้นมาได้ แล้วทำให้หายไปก็ได้ทำไม่ปรากฏก็ได้นะฮะก็เรียกว่าอะไรล่ะแบบกำบังกายในพวกศยศาสตร์ก็มีนะแนวกำบังกายเนะี่ยพวกขุนแผนอะไรอะไรเนี่ยเขาใช้กันเออที่พระพุทธเจ้าไม่ค่อยนิยมใช้เนี่ยเป็นไวแต่ในกรณีที่มันเกิดปัญหาจะต้องกำราบเพราะแนวอิธิริศแนวเนี่ยมันไปเหมือนกับ เขาเรียกว่ามายาวีเป็นวิชามายากลนะฮะต่อมาที่เป็นมายากลเนี่ยเขาเรียกมายาวีสมัยนั้นมันแสดงเหมือนกับจริงเหมือนก็เป็นจริงแต่ไม่จริงเป็นการแสดงแต่วิชาอย่างหนึ่งที่กเกี่ยวกับการเกี่ยวการรู้จิตคนทายจิตคนเข้าใจจิตคนนั้นรู้ซึ่งลงไปทั้งค้นบึงก็จิตใจเนี่ยมันไปไปตรงกับวิชาจินดามณี คือรู้ความคิดของคนไร่มนขึ้นมาแล้วก็รู้ความคิดของคนซึ่งก็เป็นคล้ายๆกระแขกเล่นปาหีคือพวกพวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยบางทีมันไปเหมือนกับพวกเนี้ยพวกพวกที่เขาทำกันธรรมดาธรรมดาพวกเล่นคนพวกอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยเพราะงั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ใช้แต่จำเป็นก็ใช้ แต่เป้าหมายนำไปสู่อนุสาสนิปฏิหารคือคำสอนที่อัศจรรย์แต่ในที่นี้เรามามองปริยายที่ทรงอธิบายเรื่องอิทธิวิธีนะฮะคือการแสดงฤทธิ์ต่างๆเนี่ยกรลับสั่งว่าถ้าลูกฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ตัวนี้พระโมกขลานาเคยทำตอนพระพุทธเจ้าเสด็จ แสดงยงมกปฏิหารขึ้นไปที่ดาววดึงเนี่ยพระโมกขลานะสะดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าแทรกไปในภูเขาเหมือนก็ได้มาร้อยแก้วไผทูนเนี่ยที่ว่าเนี่ยฮะคนเห็นพระติระเดินไปในภูเขาคือทำให้ภูเขานะั้นเป็นแก้วใสแลวให้คนก็เห็นเพื่อให้รู้ว่าไปสวรรค์ยังไงขึ้นไปสวรรค์นเนี่ยขึ้นไปยังไง เป็นวิสัยของพระอรหันต์นะคือเราไม่มีเหตุผลที่จะไปตัวแย้งที่จะไปไม่เชื่อไม่เชื่อก็มีสิทธิ์จะไม่เชื่อแต่นึ้อไม่นึกดูไม่ได้ประโยชน์อะไรึ้นมานะการไม่เชื่อเพราะสภาพจิตนี่สำคัญว่าเรามีสภาพจิตอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าถ้าเราทำไม่ได้แล้วคนอื่นก็ทำไม่ได้บางคนนี่อัตราใหญ่ นะอย่างวันก่อนชอบใจท่านนายกท่านสัมภาษณ์เรื่องการไปรูปการศึกษาเนี่ยคือท่านบอกว่านักวิชาการนั้นไปยึดถือเป็นของตัวเองมากเกินไปแถือว่าความคิดของตัวเองถูกต้องนะใครไปแต่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เดี๋ยวมันเกิดจังักเนี่ยคือสพอสนี่หลงตัวเองนะฮะที่จริงเนี่ยใครพูดอะไรไม่เคยถูกสักข้อเดียวนะฮะพูดกันแทบตายเผู้กับคนเหล่านี้ท้อเลยแหละ เขาก็เก่งเกินมนุษย์มนาแล้วคนอื่นเขาก็เห็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอตาตมาเห็นคนเดียวหรือพระที่พูดพูดที่เห็นที่จริงทุกคนเนี่ยข้าสัมผัสแล้วก็เห็นอย่างนั้นวันก่อนเน้นมออะไรมอประเวศเนี่ยก็พูดไปในทรรนองนั่นเหมือนกันแล้วกฎหมายมันนำทําไมต้องเอากฎหมาย ทำไมทำอย่างอื่นไปก่อนได้ไหมเพื่อให้มันเจือเกิดความพร้อมกฎหมายไปเกิดเมื่อถึงคราวจําเป็นจะต้องเกิดกฎหมายโ อ, อทีงสี่ห้าสิบฉบับห้าสิกว่านะห้าสิบกว่าฉบับเกือบรนะ้อยเนี่ยอ่านกฎหมายอย่างเดียวก็ตาลายแล้วนั่นคือแนวที่ที่ไปให้ความต้องการแก่ตัวเองเพราะการไม่เชื่อแนวนี้ก็มีลักษณะอย่างนี้นคือว่านึกว่าเราเนี่ย ทำไม่ได้แล้วพระพระพุทธเจ้าก็ต้องทําไม่ได้พระรหารก็ต้องทําไม่ได้แต่เราลืมว่าเราไม่ใช่เป็นปรทหารและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือสภาพจิตสภาพจิตอย่างนี้จะรับสั่งทุกข้อในพระสูตรเนี่ยจนโน้น่ะไปถึงอ า, านสวรรญาณนะฮะหรือจะรับสั่งไปอย่างนี้เรื่อยๆไปเมื่อจิตเป็นสมาธิ สมาธิบริสุทธ์ผองแผ่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอมน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิธีนะเสร็จแล้วก็ทรงอธิบายต่อไปนะฮะว่าพุทธขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้อันนี้เป็นวิธีกะสินนะฮนะเป็นวิธีกสิน มันก็เหมือนกับพวกอะไรพวกลุยไฟทั้งหลายนะฮะแต่ลุยไฟบางทีการสาแใจกล้ามันมีวิธีเหยียบแต่ว่าในที่นี้หมายความมาที่ท่านเดินบนน้าได้เนี่ยเพราะท่านเพ่งน้ําเป็นดินก็เรียกว่าเพ่งอโบเป็นปฐวนะีเวลาท่านดําไปในดินได้เนี่ยพราะท่านเพ่งปฐวีเป็นวายโยนะะเป็นเป็นวายโยคือเป็นลม ท่านก็ดำลงไปได้หรือว่าเพ่งปัตวีเป็นเป็นอาโปเป็นน้ําเนี่ยท่านก็ดำลงไปได้สําหรับท่านนะฮะสําหรับท่านก็เป็นไปตามที่ท่านเพ่งแต่แนวกสินนั่นก็อธิบายไว้พิจิตปิจารณาวยความจํำนี้จานานคล่องแคล่วถือว่าเรื่องทั้งหลายในพระศาสนาเนี่ยเราสัมผัสได้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นยังไม่ค่อยถึงเลยทําไปอะะน มันมีอีกมากมายกลายกองลนะเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพัฒนาการทางจิตเป็นประสบการณ์ตรงทางจิตที่ท่านปฏิบัติได้ลึกซึ้งแล้วจนยากที่เราจะอย่างรู้ว่าทําได้ยังไงอ่ะมันจึงเป็นพวกเขาเรียกว่าอาจินใจคือเรื่องไม่ควรคิดเป็นอิทธิวิสัยเป็นวิสัยของท่านที่มีฤทธิ์เนี่ยเราอย่าคิดอย้คิดกด็หัวแตกปเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะคิดไม่ออกนอกจอากว่าประพฤติปฏิบัติให้สัมผัส แต่ว่าอธิบายคนอื่นไม่ได้อีกแหละคนอื่นก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองแล้วก็รับสั่งว่าพะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้นะฮะลูกครัพระจันทราทิตศซึ่งมีฤทธิ์เหนีนุภาพมากหรือความมือก็ได้แจ่มหน้าทางกายไปตลอดภูมโลกก็ได้อย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระมังคตปะพร ะ, ระอะไ ร, ร่ระนะพระโมคลานาพระอนุรุลายรูปนะฮะไป ทรมานท่านประกาศพรมกันตามบุตรภาหุงข้อที่แปดแล้วก็ลูกกอดหมามโมพิศเปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกหม้อลูกมือของช่างหม้อผู้ฉลาดเมื่อนวดดินดีแล้วเนี่ยต้องการภาชนะดินชนิดใดๆก็พึงทำภาชนะชนิดนั้นๆให้สาเร็จได้อีกในยันเดึ เหมือนช่างงานหรือลูกมือของช่างงานผู้ฉลาดเมื่อแต่งงานดีแล้วต้องการเครื่องงานชนิดใดๆเพื่อทำเครื่องงานนั้นๆได้สำเร็จอีกในหนึ่งเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ฉลาดเมื่อหลอมทองดีแล้วต้องการทองรูปพัธุ์ชนิดใดๆเพื่อทำทองรูปพันร์ชนิดนั้นๆให้ได้สาเร็จฉัน้นใดก็ภิกษุก็ฉั้นนั้นแหละแต่ว่าลองสังเกตพระความรอบรู้ของบุญยาวรู้หมดอะ ต้งเอามาเป็นอุปมาในการสอนได้ทั้งหมดช่างงาก็ได้ช่างหมอก็ได้ช่างท้องก็ได้ช่างตีเหล็กก็ได้ช่างอะไรก็ได้นะเอามาเลยอธิบายบางทีอธิบายละเอียดนะอธิบายลําดับขั้นตอนในการทํางานของคนเหล่านั้นละเอียดมากเกิดแสดงว่าสงรอบรู้ในศสรรพศาสตร์จริงๆแต่ว่าไม่เอามาสอนเป็นวิชาชีพนะเอามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะเป็นสื่อในการสอนธรรมะแล้วก็รับสางว่า ภิกษุก็ฉันนั่นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแพ้่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอมนมน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการแล้วก็โดยในย่าที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนั่นก็คือ เป็นผลจากการปฏิบัติพัฒนาจิตตอนนี้เลยเลยจะตุทะชานมาแล้วนะฮะเราเห็นว่ามามโนโมยิทธิอิทธิวิธีเป็นข้าวอภินยานะข้าวอภาินย า, า, านั้นเขาตามปกติแล้วเนี่ยเขาต้องมีหกตอนนี้พูดถึงอภินยาหกไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอภิญญาห้ญญาอภินยาห้านั้นสมนนามัญชนก็ทาได้นะฮะแต่ว่าเสื่อมได้นะพว ก, พว ก, พ, วกพวกอิทธิฤทธิ์เนี่ย โดยเจ็นว่ารุสีบางทีนี่เหาะไปได้ในอากาศอย่างแนอิสิปตัตนามฤุทัยาวันท่านผู้ฟังคงได้กลองอิสิปัตนะแปลว่าเป็นที่ตกแข่งรุสีมฤุทัยวันเป็นว่าแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกไปของรุสีมันเกิดจะกบัติเหตุสองเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยคือรุสีเลื่อนลอยมาทางนภาากาศ แล้วพอดีก็ได้ยินเสียงผู้หญิงก็ร้องเพลงเกิดพอใจในเสียงมองไปทางเสียงก็เห็นรูปเกิดพอใจในรูปจิตก็กำหนัดในทางเพศก็หล่นลงมาเลยแต่ถ้าบอกว่าหล่นแบบนุ่นมันหล่นลงมาจากข้างบนคือไม่ได้เป็นอันตรายแต่ก็เสียเชิงหรือสีไม่ย่อยนะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยได้อิทธิวิธีได้อิทธิวิธินะธแล้วแต่ว่าเป็นโลกิยาพินยา ส่วนป่าเป็นนี้ให้อภัยแก่เนื้อนั้นมันเกิดเรื่องกว่าจากนิโครธชาดกอพาะพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นปญาเนื้อชื่อว่านิโครดแล้วก็ได้ตกลงกับปัญาเนื้อชื่อว่าสาขะถึงต่อมาเกิดมาเป็นพระเทวทัตเนี่ยเรือจักเวรของบริวารสมบริวารตัวเองมายืนให้พระราชายิงพระราชาออกล่าเนื้อทุกวัน แล้วก็ไม่ต้องการไม่เที่ยวล่ล่าจนเนื้ออื่นต้องบาเดเจ็บแข้งขาหักก็มายืนได้ยิงอ่ะให้ท่านฆ่าเปลี่ยนกันเวลาหนึ่งก็ถึงเนื้อซึ่งเป็นบริวารของพัญญาเนื้อสาขาเป็นแม่เนื้อที่มีคันแก่ไปขอผัดผ่อนวาระว่าขอให้คลอดลูกออกจะปนเถอะสงสารลูกจะพลอยตายตามไปแต่พัญญาเนื้อสาขาไม่ยอม ขอไปอยาเนื้อนิโครดไปยาเนื้อนิโครดก็จะเอาคนอื่นไปอยู่เวร แ, นะแทนไม่ได้นะไปฆ่าเวรแทนไม่ได้เราไม่ถึงเวรของเขาท่าวก็ไปเองเลยนะไปยืนพระเจ้ากรุงพาราสีพอเห็นข้าวก็สอบถามท่านก็เล่าวความจําเป็นให้ฟังการก่อสรดพระไทยว่าที่สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ความรู้ดีงามความคิดดีงามเนี่ยเกิดขึ้นแมกษกศติราจานเช่นนี้พร้อมจะเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อพิทักษ์ แม่เนื้อเอาไว้ก็ทำให้เกิดสลดประทยัยแล้วก็พระราชาทานพรให้เนื้อทั้งหลายเนะี่ยให้พระญาเนื้อตัวนี้ไม่ฆ่าท่านบอกไม่ได้หรอกหือถ้าให้มันต้องให้เนื้อทั้งหมดท่านก็ให้อภัยแก่นเนื้อทั้งหมดบอกไม่ได้มันต้องให้แก่สัตว์ทั้งหมดที่ในป่าเนี่ยทั้งหมดเลยทุกชนิดนะใครจะฆ่าสัตว์ในป่านี้ไม่ได้ วันท้านไปอินเดียจะเห็นว่าในสารนาดเนี่ยฮะในสิปตนาบุรุษกตายวันในสารนาดเนี่ยจนทุกวันเดยังไม่เปลืองค่าสัตว์อันนั้มันน่าชื่นชมวัฒนธรรมของอินเดียที่เขาสืบต่อสิ่งดีงามกันมาได้อย่างไม่น่าเชื่อมันไม่รู้กี่พันปีนะฮะเป็นตำนานประมปลาเล่าขานกันเป็นประลมปลาตุวันสัตว์อย่างได้รับการอารักขาดูแลอยู่ในสถานที่นั้นเพราะแนวอิทธิวิธีเนี่ย มันเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการทางจิตแล้วจิตที่อยู่ในสภาพอย่างนี้มันพร้อมที่จะทําอะไรได้เยอะแยะแต่ปัญหาต้องการว่าทํายังไงจะเดินจิตไปถึงจุดตรงนี้ได้เอาขนาดประโยคแรกกันนะฮะเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแพทย์เนี่ยเอาประโยคนั้นประโยคเดียวก็ได้อะไรได้เยอะแล้วฮะแต่มันก็เป็นสัพพัดตรง ของคนที่ฝึกปลื้มจิตใจมาเอาไปเล่าคนอื่นมันก็มีปัญหาอีกแหละก็ทํานองกับรสชาติอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเราสัมผัส ด, ด้วยตัวเราจริงเรารู้สึกอร่อยจริงแต่ว่าอธิบายคนอื่นฟังได้ยังไงอธิบายไม่ได้นอกจากเขาต้องชิมเองทีนี้คนคนนั้นเองก็เถอะพอเขาชิมไปเองเนี่ยเขาก็อธิบายคนอื่นไม่ได้ เพราะแนวนี้เป็นแนวปัจจตต่างวิธีตะโบมอยู่ฮิววญยูชนรู้ได้เฉพาะตนเองแล้วโอกาสไม่ค่อยบ่อยนักนะฮะที่พระพุทธเจ้าจะแสดงรายละเอียดขนาดนี้เพราะว่าต้องการจะปลุกปลอบขวัญของพระเจ้าอาชาติศัตรูด้วยแล้วต้องการท่านให้เห็นเกิดศรัทธาภาษาท่าเพราะว่าจิตใจท่านตกต่ำลงไปมากนะฮะตั้งแต่ปรงประช ร, ะราชบิดามาเนี่ย ไม่ได้สงบเลยกระหวักระแวงวิตกกังวลแม้แต่มาข้าวภาษาสดาอย่างกลัวว่าหมอชีวโกโค ม, มาแล้วพระจะวางแผนเอาท่านมาฆ่าได้๋ัวจไปเพราะฉั้นธรรมเทศนาจึงให้ให้ในายาที่ละเอียดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออธิบายชานสี่เนี่ยเราไม่เคยพบนะฮะที่อื่นเี่ยไม่เคยพบสรงอธิบายแไปอุปมาทเทียบเคียงอย่างนั้นส่วนมากอธิบายจะเพราะองค์ธรรมแต่ในที่นี้ก็ทรงอุปมาเทียบเคียงให้เห็นทุก ข, ข้อทั้งสีข้อต้องฟังเท่าไห